ประชาธิปไตยแบบพระไม่เหมือนชาวบ้านการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสําคัญอยู่ที่การศึกษาบ้านเมืองเราพากันร่ําร้องหาประชาธิปไตยแต่ถ้าเราไม่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรของเราให้มีวิชาความรู้ความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพประชาธิปไตยจะไม่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเพราะฉะนั้น หลักการสร้างประชาธิปไตยแบบพระมันอาจจะแตกต่างจากของชาวบ้านประชาธิปไตยของชาวบ้านเขาจะรวมหัวกันเป็นกลุ่มเป็นพวกไม่ชอบขี้หน้าใครเขาก็ร่วมกันเดินขบวนขับไล่อันนั้นเข้าใจว่าตามความรู้สึกของพระเนี่ยการรวมหัวกันขับไล่ผู้ที่เราไม่ชอบใจมันจะกลายเป็นกา ร, รเผด็จการหมู่แต่ประชาธิปไตยของพระมันอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพยกตัวอย่างเช่นกุลบุตรที่อยู่ในวัยการศึกษาไปศึกษาอยู่ในสังกัดของสถาบันนั้นๆต่างคนต่างตั้งใจศึกษานึกว่าพ่อแม่ส่งไปเรียนเราต้องตั้งใจเรียนเรียนให้มันจบพอเรียนจบแล้วตั้งหน้าตั้งตาประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักฐานของตนเองให้มั่นคงให้มีที่ดินเป็นของของตน มีบ้านเป็นของของตนมีรถยนต์นั่งไปทํางานมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็เป็นใหญ่ปลอดหนี้ปลอดสินอธิปไตยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่เป็นใหญ่เราเองนั่นแหละเพราะเราช่วยตัวเองได้ทุกวิถีทางเราก็เป็นใหญ่หลายคนเข้ารวมกันเป็นหมู่เป็นพวกก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่ ประชาก็แปลว่าหมู่พวกประชาธิปไตยแปลว่ากลุ่มคนเป็นใหญ่คนที่เป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกเป็นทาสแห่งเจ้านี่เราก็อยู่เย็นเป็นสุขสบาย